หลายปีก่อนที่นครสวรรค์มีโรงเรียนหนึ่งน่าสนใจเป็นโรงเรียนประถมมัธยมคือครูจะให้นักเรียนเนี่ยทำแปลงผักแล้วก็ดูแลแปลงผักของตัวเองให้ดีแปลงผักนี้เนี่ยนะจะใช้เป็นอุปกรณ์ในการศึกษาด้วยเพราะว่า วิชาอะไรก็ตามโดยเฉพาะวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ก็จะมาอาศัยแปลงผักนี่แหละนะเช่นเรียบเรียงประสบการณ์การปลูกผักเป็นภาษาไทยเรียงความหรือว่าเรียนศัพท์ภาษาอังกฤษจากแปลงผักนะผักมันแปลว่าอะไรนะดินแปลว่าอะไร ปุ๋ยภาษาอังกฤษว่าอะไรก็เรียกว่าหลายวิชาเนี่ยนะมาอาศัยแปลงผักนี่แหละเป็นอุปกรณ์ช่วยสอนรวมทั้งวิชาคณิตศาสตร์ด้วยเพราะว่านักเรียนทุกคนนะต้องเอาผักนะที่ปลูกได้นี่นะไปเข้าสหกรณ์แล้วก็ก็เอาไปขายนะได้เงินมาก็เข้าบัญชีของนักเรียนแต่ละคน เพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องมีความใส่ใจกับการปลูกผักของตัวอันนี้นักเรียนประถมนะครับป .5 ป .6 ได้มั้งมีนักเรียนคนหนึ่งเขาบังเอิญไปเห็นแปลงผักของเพื่อนเนี่ยมันมีมันมีห น, นอนหนอนชอนชัยเขาก็รู้สึกดีใจนะเออว่า นอนขึ้นแปลงผักของเพื่อนนี่ก็แปลว่าผักของเพื่อนก็จะไม่สวยเท่ากับผักของตัวเดี๋ยวก็คิดแบบนั้นนะ น, นะเพราะว่ามันก็มีการแข่งกันอยู่ในทีแปลงผักใครจะสวยกว่ากันจะได้ผักเป็นอ่าเป็นเรื่องเป็นราวแต่เม็ดตํำหนยมากกว่ากันนั่นพอเห็นเพื่อนมี มีนอนขึ้นนะเด็กก็ดีใจบอกว่าไม่กี่วันนะไอ้นอนในแปลงผักของเพื่อนมันก็ลามมาที่แปลงผักของตัวแล้วคราวนี้ก็จัดการไม่ทันนะเพราะมันระบาดเร็วมากปอกว่าแปลงผักของตัวเองก็แย่ไปด้วยผักก็เสียไปเยอะนะครูก็ฉลาดนะแทนที่ครูจะต่อว่าเด็ก ว่าดูแลแปลงผักยังไงดูไม่เป็นครูก็ถามเด็กว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเหตุการณ์นี้นะเด็กเขาก็พิจารณาแล้วเขาก็ได้เรียนรู้ว่าเมื่อแปลงผักของเพื่อนเนี่ยมันมีนอนนะถ้าไม่ทำอะไรไม่ช่วยป้องกันนะไอ้นอนนี่มันก็จะลามมาที่แปลงผักของตัว ไอ้ประเภทว่าแปลงผักของเพื่อนแย่แต่แปลงผักของตัวเองดีเนี่ยมันมันเป็นไปไม่ได้ถ้าแปลงผักของเพื่อนแย่แปลงผักของตัวเองก็แย่ด้วยเดี๋ยวก็ได้เลยรู้ว่าถ้าอยากจะให้แปลงผักของตัวเองสวยก็จะต้องไม่ละเลยเมื่อเห็นแปลงผักของเพื่อนนี่มีนอนต้องใส่ใจด้วยนะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ถ้าเราอยากจะดีคนอื่นก็ต้องดีด้วยเราต้องช่วยของคนอื่นให้มันดีด้วยเจ้าแต่สนใจของตัวเองนี่ไม่ได้นี่คือบทเรียนสําคัญที่เด็กคนนี้ได้ซึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งของวิชาศีลธรรมนะศีลธรรมที่ครูสอนเนี่ยไม่ได้สอนด้วยการสอนในห้องเรียนป่าเปๆ่าเปล่าเปล่ า, ลาว่าเมตตากรุณาเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าสอนให้เด็กเรียนรู้จากชีวิตจริง เรียนรู้ศิลธรรมจากชีวิตจริงเหมือนกับที่เรียนรู้เรื่องคณิตศาสตร์เรียนรู้เรื่องภาษาไทยภาษาอังกฤษจากชีวิตจริงตัวอาศัยแปลงผักเป็นเครื่องมืออันนี้เป็นบทเรียนที่สําคัญของเด็กนะที่เขาตระหนักว่าความสําเร็จของตัวเนี่ยมันแยกไม่ออกจากความสําเร็จของคนอื่นหรือจะขยายความให้กว้างขึ้นก็คือว่าความสุขของเราเนี่ยมันไม่อาจจะแยกจากความสุขของคนอื่นได้ เราสุขเราสบายแต่คนอื่นเขาลำบากนี่มันยากมันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอันนี้เรื่องนี้มันก็ก็ใกล้เคียงสอดคล้องกับข่ า, ขาวที่ได้ยินมานะมันมีชาวนาที่อเมริกาเนี่ยรัทไวโอคนหนึ่งเนี่ยแกเพาะพันธุ์ข้าวโพดเนี่ยที่ให้ผลดีมากนะ โตเร็วแล้วก็ให้ผลดีนะได้ฝักใหญ่ไปประกวดที่ไหนก็ได้รางวัลน ะ, ใ น, ะในระดับในระดับเมืองในระดับรัฐนะแล้วก็อาจจะถึงกับระดับประเทศด้วยแต่ว่าชาวนาวคนนี้แกแปลงนะเรียกว่าชาวไร่ดีกว่านะแปแปลงก็คือว่าแทนที่แกจะหวงพันธุ์ของแกนะแกเอาพันธุ์ของแกนี่ไปแจ ก, กให้กับ เพื่อนบ้านชาวไร่ที่อยู่รอบรอบอไร่ของแกแกแจกแบบทีวว่ไม่ได้หวงแหนเลยนะแล้วก็ชักชวนให้ปลูกกันซึ่งแน่นอนนะเพื่อนบ้านหรือว่าคนที่อยู่รอบแปลงของแกรอบไร่ของแกก็ยินดีที่จะได้พันุ์นี้นะเพราะว่ามันเป็นพันุ์ที่ดีมากก็ปลูกกันนะจนกระทั่ง ขยายเป็นพื้นที่กว้างขวางก็มีคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมชาวไร่คนนี้เนี่ยนะถึงใจดีอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าเอาพัานธุ์ของตัวเองไปแจกให้คนอื่นเนี่ยก็ถือว่ามันมีคู่แข่งเยอะนะแกบอกว่าที่แกทำนี่ก็เป็นประโยชน์กับไร่ของแกด้วยนะเพราะว่าข้าวโพดเนี่ยนะมัน เวลามันจะผสมเกสรเนี่ยมันก็อาศัยเกสรจากที่ปลิวมาจากาที่ต่างๆโดยเพราะจากไร่ที่อยู่ข้างเคียงถ้าเกิดว่าไร่ข้างเคียงเนี่ยมันเป็นพันธุ์ที่ไม่ดีพอมาผสมเกสรกับพันธุ์ของแกเนี่ยมันก็ทําให้พันธุ์ของแกกลายพันธุ์เพราะถ้าแกต้องการอยากจะให้พันธุ์ของแกดีเนี่ยนะก็ต้องทําให้พันธุ์ของ ไล่ที่อยู่รอบๆแปลงของแกเนี่ยมันดีด้วยถ้าเกิดว่าไอ้ไล่รอบๆเนี่ยมันเป็นพันุ์ที่ไม่ดีหรือว่าดีแต่ไม่ดีที่สุดเนี่ยมันก็พล่อยส่งผลกระทบต่อต่อแปลงของแกด้วยนะปูงาคือว่าที่แกทำเนี่ยก็เ ป, นปน็นประโยชน์กับตัวเองด้วยนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะซึ่งตรงข้ามกับเด็กนะเด็ก ที่เล่าเมื่อสักครู่เนี่ยว่าเด็กเขากคิดภาษาเด็กนะว่าแปลงคนอื่นแย่ไม่เป็นไรขอให้แปลงฉันดีก็แล้วกันถ้าแปลงคนอื่นนะนอนขึ้นไม่เป็นไรนะยิ่งดีด้วยซ้ําแสดงว่ามันจะทําให้แปลงของฉันนี่นะดีกว่าคนอื่นแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นมันมันส่งผลก็เท่าถึงถึงกันชาวไร่คนนี้ในชาวอเมริกันคนนี้แกก็ฉลาดนะแกก็รู้ว่า ไล่ของแกเนี่ยมันจะดีคนเดียวไม่ได้นะมันต้องให้ไล่คนอื่นเนี่ยที่อยู่รอบๆบเนี่ยดีด้วยนะอ้นี้เราจะเห็นได้ว่าไอ้ความคิดที่เรียกว่าฉันดีคนเดียวแล้วคนอื่นแย่เนี่ยนะมันในความเป็นจริงเนี่ยนะมันมันใช่ไม่ได้นะเพราะว่าในโลกนี้เนี่ยทุกอย่างมันสัมพันธ์กันนะเลยเพราะใน ระบบนิเวศด้วยแล้วเนี่ยมันแยกกันไม่ได้ฉนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีความสุขความสําเร็จเราอยาประสบความก้าวหน้าเนี่ยนะเราก็ต้องคิดถึงคนอื่นด้วยต้องช่วยให้เขาประสบความสําเร็จด้วยเหมือนกันอพอเราเป็นนักเรียนเนี่ยนะบางทีเราก็คิดว่าเออเวลาเราเราจะมีลักษณะหวงวิชาเราจะห่วงวิชาเราได้เคล็ดลับอะไรมาเราจะเก็บไว้คนเดียว เพราะว่าถ้าเราไปแจกเผยแพร่คนอื่นเดี๋ยวเขาก็จะได้คะแนนดีเท่าเราหรือว่าดีกว่าเรานักเรียนจนํานวนมากที่อยากนะที่อยากเก่งอยากได้คะแนนดีๆจะมีความคิดแบบนี้นะเวลาเพื่อนเดือดร้อนนี่จะไปขอให้มาช่วยติวช่วยอะไรเนี่ยก็จะไม่ยอมนะเพราะว่ากลัวว่าเขาจะดีกว่าตัวหรือดีเท่าตัวความคิดแบบนี้เป็นความคิดที่ผิดพลาดมากเพราะว่า อ่าไอการที่เราไปช่วยเขาเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ดีกับเพื่อนอย่างเดียวมันดีกับเราด้วยเพราะว่ายิ่งเราไปช่วยเขาติวหรือไปติวให้เขาเนี่ยความรู้เราก็จะแน่นขึ้นนะอ่าสมัยตา ม, มาเป็นนักศึกษาเนี่ยนะนักศึกษาจนเมื่อไม่น้อยเนี่ยเขาทํากิจกรรมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมก็ไม่ค่อยมีเวลาเรียนหนังสือหรอก ก็ต้องอาศัยเพื่อนที่เข้าเรียนเนี่ยมาช่วยติวให้นะไม่ว่าจะเป็นวิชาสังคมศาสตร์หรือวิชาวิชาวิทยาศาสตร์อย่างเช่นรามาเนี่ยอ่ามหิตดนเนี่ยมันจะมีนักติวเยอะมากนะเพื่อที่จะช่วยเพื่อนๆซึ่งไม่ค่อยได้เข้าห้องเรียนแล้วก็เพื่อนนักติวเหล่านี้เนี่ยก็จานวนไม่น้อยนี่เขาก็อาสานะทั้งที่มันหมายถึงว่าทำให้เขามีเวลา มีเวลาน้อยลงในการเตรียมตัวสอบของตัวเองแต่ว่าประสบการณ์ก็สอนให้เขารู้ว่าการที่เขาไปติวให้กับเพื่อนเนี่ยมันทำให้วิชาของเขาแน่นขึ้นคนติลก็ได้คนถูกติวก็ได้แล้วพวกนี้ไม่จำเป็นต้องไปเข้าไปไปไปเรียนวิชาอ่ากวดวิชาที่ไห น, นติวกันเองนะแล้วก็จริงๆแล้วแต่ละคนนี่มันก็เก่งเป็นคนละแบบ นะคนนี้ติววิชานี้อีกคนนึงก็ช่วยติ ว, วิอีกวิชามังก็ปรากฏว่าก็สามารถจะได้คะแนนที่ดีในในทางธรรมะเนี่ยนะมันก็มีพระอาหารหันนะบางท่านเนี่ยบรรลุธรรมขณะที่เทศนะอาการเทศสนาเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเป็นประโยชน์แต่ผู้ฟังนะผู้พูดผู้เทศเองเนี่ยนะเทศไปเทศมานะท่านบรรลุธรรมเลยนะในระหว่างที่เทศนะเพราะว่า การที่ท่านได้พิจารณาใครครวรในหลวงที่เทนิ่มทั้งก็ทำให้ท่านเห็นทำแจ่มแจ้งขึ้นมาได้อันนี้คือสิ่งที่พวกเราซึ่งเป็นนักเรียนเนี่ยควรจะตั้นหนักมันเป็นวิชาชีวิตนะที่อาจจะไม่ได้สอนในโรงเรียนในโรงเรียนก็อาจจะสอนแต่เรื่องวิชาการแล้วก็ทำให้คนเนี่ยแข่งกันนักเรียนต่างแข่งกันเพื่อได้คะแนนดีๆแต่ว่าวิชาชีวิตเนี่ยนะมันมันเป็นอีกแบบหนึ่งกนะ็คือ มันต้องช่วยเหลือกันไอความช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี่แหละที่มันจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อไม่ใช่เฉพาะผู้ถูกช่วยนะแต่ว่าหรือไม่ใช่ประโยชน์ต่อเฉพาะผู้ได้รับความช่วยเหลือ น, นะแต่ว่าผู้ที่ให้ความช่วยเหลือเองก็ได้ประโยชน์ด้วยก็มันก็มีเรื่องเล่านะอันนี้อนิรมลเมทีสุวัคูลซึ่งเป็น คนทำรายการสารคดีเด็กนะพวกเราถ้าเคยดูสารคดีวันเสาร์ช่องสามเนี่ยก็จะรู้จักนะสารคดีทุ่งหญ้าป่าใหญ่ก็ฉายติดต่อกันมาเป็นสิปีแล้วมั้งอาจจะยี่สิปีแล้วด้วยซ้ำํำวิชัยเนี่ยที่มาเป็นครูสอนเราเนี่ยเข ก, กนะ็เคยเป็นทางสารคดีก็เคยมาถ่ายทํานะ ชมลมเด็กลักนกชัยภูมินั่นก็ประมาณเจดแปดปีมาแล้ววันนี้เราเมือนแกนก็เล่าประสบการณ์ตอนนึงไปถ่ายทําในต่างจังหวัดในหมู่บ้านหนึ่งในระหว่างที่พักที่พั ก, พ, กพักการถ่ายทําก็มีคุณป้าคนหนึ่งซึ่งก็รู้จักกับทีมถ่ายทําถือปลามาพวงใหญ่พวงหนึ่งพอมาเจอทีมถ่ายทํา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนกรุงเทพหรือว่าเป็นคนอยางในเมืองคุณป้าก็ถามว่าไอ้ปลาพวงเนี้ยทํำยังไงถึงจะกินได้นานคนในกองถ่ายก็ตอบกันไปคนละทิคนละทางเอาไปหมักบ้างเอาไปตําส้มเอาไปเอาไปทอดบ้างเอาไปใส่ตู้เย็นบ้างเอาไปตากแดดบ้างแล้วคุณป้าก็บอกว่าผิดหมดเลยนะรู้ไหมว่าคําตอบคืออะไร คำตอบคือว่าต้องเอาปลาไปแบ่งให้เพื่อนบ้านอย่างทั่วถึงเมื่อเอาไปแบ่งเอาปลาไปแบ่งให้เพื่อนบ้านนั่นแหละถึงจะทําให้กินปลาได้นานแปลกไหมให้เท่าไปแจกให้กับเพื่อนบ้านเนี่ยเราก็ได้กินน้อยลงสิยงเหมือนกับเรามีเงินอยู่10บาทเราไปจ่ายให้เพื่อนบ้านคนละบาทสองบาทนี่กระเป๋าเราก็เหลือน้อยลงไปจนกระทั่งอาจจะหมดเลย ไอวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยมันบอกว่าถ้าเราไปแจกให้คนอื่นยิ่งแจกมากเท่าไหร่เราก็จะเหลือน้อยลงนี่คือวิชาคณิตศาสตร์แต่วิชาชีวิตนี่มันตรงข้ามนะ ค, คือยิ่งแจกนะยิ่งได้ยิ่งเผื่อแผ่นะก็กลับได้กลับคืนมาถ้าคุณป้านเนี่ยก็รู้นะว่าการที่เอาไปแจกให้พื้นบ้านเนี่ยนะมันก็หมายความว่าอ่ามาเกิดความ เอเื้อเฟือเกื้อกูลกันเวลาชาวบ้านหรือเพื่อนบ้านเขาได้ปลามาเขาก็มาแบ่งให้คุณป้าคนนี้นะมันเป็นเรื่องของมิตรติดมิตรใจซึ่งเกิดจากความเอื้อเฟือกันะัะนั้นเนี่ยอาการที่แบ่งปลาให้กับเพื่อนบ้านเนี่ยมันก็เท่ากับว่าถ้าถ้ามองแบบเห็นในตัวคือเป็นการฝากฝากปลาไว้ในท้องของเพื่อนบ้านนะฝากปลาไว้ในท้องเพื่อนบ้าน ถึงเวลาเพื่อนบ้านเขาได้ปลามาเขาก็เอามาเอามาเอามาแบ่งให้กับเราบ้างนี่คิดแบบเพ็งแกตัวนะแต่ที่จริงมันก็เป็นภูมิปัญญานะว่านะถ้าเรามีแล้ว เ, เราแบ่งให้ผู้อื่นเนี่ยถึงเวลาที่เขามีเขาก็แบ่งให้เรานะก็จะเป็นการมีได้อย่างยั่งยืนอาจารย์พุทธทาสบอกว่าอาหารที่เราได้มาเนี่ยเช่นปลาก็ดีเนี่ยผักก็ดีถ้าเรากิน วันเดียวมันก็กลายเป็นขี้แล้วนะถ่ายออกมาแต Brian, ่ถ oh. ้าเราไปแบ่งให้ผู้อื่นนะมันก็จะอยู่ในหัวใจค่อนนานไม่ใช่แค่วันเดียวสองวันมันจะอยู่ในใจค่อนนานเราจะกินคนเดียวแล้วปล่อยให้มันกลายเป็นขี้ไปในวันต่อมาหรือว่าเราจะไปแบ่งให้ผู้อื่นเพื่อให้มันจะอยู่ในหัวใจเขาได้นานคนฉลาดนี่เขาก็จะรู้เลยว่ากินคนเดียวมันก็ได้คนเดียวนะแต่ถ้าแบ่งให้คนอื่นนะ คนอื่นก็ได้และต่อไปเราก็ได้ด้วยวิชาชีวิสอนว่ายิ่งแบ่งให้ผู้อื่นเท่าไหร่เราก็ยิ่งยิ่งได้กลับคืนมามากเท่านั้นนะแต่วิชาคณิตศาสตร์นี่มันตรงข้ามนะยิ่งให้ก็ยิ่งหมดนะเวลาทำบุญก็เหมือนกันนะเวลาทำบุญเนี่ยเราเราทำบุญแล้วเราอุทิศส่วนกุศลหรือว่าเราเราแผ่ให้คนอื่นเนี่ยยิ่งแผ่ยิ่งได้นะ มันจะมีบุญชนิดหนึ่งเรียกว่าปัตาาปตานุโมทนาใหม่ปัตตานุโมทนาใหม่ไม่ใช่ชื่อปฏิทานใาหม่ปฏิทานใาหม่คือบุญที่เกิดจากการอุทิศส่วนกุศลให้ผู้อื่นยิ่งเราแผ่ไปให้ผู้อนมากเท่าไหร่เรายิ่งได้บุญมากขึ้ น, นะมนไม่เหมือนกับเงินนะเงินที่ยิ่งให้ยิ่งหมดแต่บุญนี้ยิ่งแผ่ไปกับยิ่งได้มากขึ้นนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้บางคนไม่เข้าใจนะ ไปคิดว่าบุญนี่เหมือนเงินนะคือยิ่งให้ยิ่งหมดก็เลยมีความคิดว่าเนี่ยไม่ใช่คิดคนเดียวนะและไม่ใช่แค่ทําคนเดียวสอนคนอื่นด้วยว่าอย่าไปแผ่บุญกุศลให้ใครมากนะเพราะว่าถ้าแผ่ให้มากเดี๋ยวของเราบุญของเราจะเหลือน้อยลงนะอันนี้คนที่พูดแบบนี้คิดแบบนี้ทําแบบนี้นี่ไม่ใช่ชาวพุทธนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนงนี้พรพุทธเจ้าสอนว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งแผ่อุทิศกุศลให้ใคร บุญของเราก็ยิ่งเจริญงอกงามนะความสุขก็เช่นเดียวกันนะผู้เจ้าตรัสว่าผู้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุขนะเมื่อเราให้ความสุขแก่ผู้อื่นนะเราก็พลอยได้รับความสุขด้วยเราให้ความสุขแก่ผู้นี้นนการให้ทานนะแบ่งปลาแบ่งอาหารให้เงินหรือว่าเราช่วยเหลือนะเราสละแรงกาย สละกำลังปัญญาของเราให้กับผู้อื่นอันนี้คือการให้ความสุขนะและสิ่งที่ได้ก็คือเขาเองก็สุขเราเองก็สุขนะเราในที่นี้หมายถึงเ ร, เราที่เป็นผู้ให้ผู้ช่วยเหลือนะผู้ให้ทานนะมีหลายคนนะที่เขาไปเป็นอาสาสมัครนะไปเป็นอาสาสมัครช่วยเด็กที่เดือดร้อน เด็กที่ถูกทอดทิ้งอย่างเช่นในกรุงเทพก็มีที่จริงเมืองนนท์นะก็มีบ้านปักเกรดนะเป็นที่รับเลี้ยงเด็กที่ถูกทอดทิ้งอายุตั้งแต่ไม่กี่เดือนจนกระทั่ง 7-89 ปีเขาก็ต้องการอาสาสมัครหรือจิตอาสานี่ไปช่วยดูแลเด็กไปเล่นกับเด็กก็มีคนหนึ่งก็เป็นไมเกรนนะเป็นไมเกรน ปัญหาก็คล้ายๆกับอาจารย์โคเอ็นจ้าที่พูดเมื่อวาน เ, นเป็นไมเกรนต้องกินยาทุกวันแต่ว่าก็มีน้ําใจนะไปเป็นจิตอาสาช่วยช่วยเด็กอาทิตย์ละสองครั้งอาทิตละสองวั น, นบอกว่าไปไปสักพักหนึ่งเนี่ยไปอยู่สักสองสามอาทิตย์เนี่ยก็สังเกตว่าตัวเองเนี่ยเลิกกินยาตัวเองไม่ได้เลิกกินยาตัวเองลืมกินยา ปกติ ก, กินทุกวันนะแต่พอไปช่วยเด็กเนี่ยลืมกินยาเฉยเลยทำไมถึงลืมกินยาเพราะว่ามันไม่ปวดนะไอการที่ไปช่วยเด็กเนี่ยนะมันทำให้เขาเนี่ยหายหายปวดจากไมเกรนแม้จะเป็นเพียงแค่ชั่วชั่วครู่ชั่วยางก็ตามมันไม่ได้หายตลอดนะแต่ว่ามันหายเป็นเวลาหลายวันโดยเพราะวันที่ไปช่วยไปดูแลเด็ก ก็เลยได้พบว่าออไอการไปช่วยเด็กนี่นะที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นการช่วยตัวเองทีแรกเขาคิดว่าเขาจะไปช่วยเด็กเพราะว่าเด็กกับช่วยเขามากกว่าคือทําให้เขามีความสุขพอมีความสุขแล้วนะไอไมเกรนเนี่ยมันก็หายไปโดยที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยนะลืมไปเลยนะอันนี้ก็จะเป็นเพราะว่าคนเราเมื่อมีความสุขแล้วมันก็ตะลังสารบางอย่างออกมา ซึ่งวิทยาศาสตร์แต่จะไม่รู้จักว่ า, าสารชนิดนี้คืออะไรเพราะถ้ารู้จักก็คงจะผลิตเป็นยาไปแล้วเดี๋ยวนี้ยารักษาไมเกรนนี่ก็ยังรักษาก็ยังยังผลิตไม่ได้นะแต่ว่าจิตอาสาคนนี้นี่นะไม่ต้องกินยานะลืมกินยานะเพราะไม่ปวดที่ไม่ปวดเพราะมีความสุขการที่ได้ช่วยเด็กนะบางคนนี่ยิ่งกว่าไมเกรนนะ ติดเชื้อชไอเป็นเป็นแม่บ้านเชียงใหม่ติดเชื้อชไอีจากสามีแต่ว่าไม่ได้โกรธไม่ได้พยาบาทสามีเลยนะก็พยายามดูแลสามีซึ่งก็ติดเชื้อเหมือนกันป่วยเป็นเอดสก็ดูแลจนตายดูแลเสร็จก็เป็นก็เป็นแม่ไมก้ก็เลยไปช่วย ผู้ติดเชื่อคนอื่นด้วยโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หญิงด้วยกันไปเป็นจิตอาสาไปให้ความรู้เป็นวิทยากรเรื่องการดูแลรักษาตัวเองอย่างไรถึงจะอยู่ได้ น, น, นานๆไม่ด่วนตายซะก่อนตอนหลังก็ไปเป็นวิทยากรช่วยให้ความรู้กับนักเรียนมัธยมโดยเฉพาะผู้หญิงให้รู้จักมีการป้องกัน อย่ามีเพศสัมพันธ์ที่อันตรายที่เสี่ยงเพราะว่าเป็นกันเยอะนะไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงผู้ชายก็เป็นนักเรียนนะก็ไปเป็นวิทยากรตนหลังก็ทำงานช่วยเหลือการศึกษาในชุมชนในลักษณะของการพัฒนาหมู่บ้านหรือ NGO งานก็ขยายมากขึ้นมากขึ้นบางทีก็ไปเป็นวิทยากรนะในระดับประเทศออกรายการโทรทัศน์ก็บ่อยครั้ง พก็ว่าเป็นมาแล้ว17 18ปีรู้สึกปีนี้เป็นปีที่20แล้วมั้งก็ยังมีชีวิตอยู่เลยนะทั้งติดเชื้อนะก็แปลกนะเธอไม่ได้กินยาต้านต้านเชื้อด้วยมีคนถามเธอว่าพี่ทำงานเยอะๆแบบนี้เนี่ยพี่ไม่กลัวป่วยเหรอที่จริงเขาอาจจะถามว่าอยากจะถามว่าพี่ทำงานเยอะๆย่งนี้พี่ไม่กลัวตายเหรอเพราะว่ามีเชื้ออยู่นะ แล้วก็ความเข้าใจคุณส ป, ปายคือพอมีเชื่อแล้วนี่ต้องรับระมัดระวังรักษาตัวให้ดีเดี๋ยวอ่อนแอมเมื่อไหร่ก็เชื่อมันก็ลุกลามแเขาก็เป็นห่วงเธอถามว่าพี่ทํางานมากๆแบบนี้เนี่ยพี่ไม่กลัวป่วยเหรอเธอก็ตอบว่าเนี่ยถ้าพี่คิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยพี่ป่วยไปนานแล้วหรือพี่ตายไปนานแล้วคำตอบเธอนี่น่าสนใจนะถ้าพี่คิดถึงแต่ตัวเองนี่พี่ป่วยไปนานแล้ว หรือล้มป่วยไปนานแล้วคนเรานะถ้ายิ่งคิดถึงแต่ตัวเองมากเท่าไหร่นะแปลกนะยิ่งคิดถึงแต่ตัวเองมากเท่าไหร่เนี่ยแทนที่จะเกิดผลดีกับตัวเองนะมันเป็นกายกลายเป็นการบั่นทอนตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดถึงคนอื่นมากเท่าไหร่เนี่ยมันกลับช่วยตัวเองนะโดยเพาะทําให้มีความสุขนะทำให้รู้สึกภาคภูมิใจในชีวิตนะอันนี้พระเจ้า ก, ก็ตรัสไว้นะ ไม่ใช่แค่พุทธพจนิวาสผู้ให้ความสุขยอมได้และความสุขนะในในบางที่ท่านก็ตัดว่าเนี่ยรักษาตัวเองด้วยการรักษาผู้อื่นรักษาตัวเองคือการช่วยตัวเองนั่นแหละเราช่วยตัวเองได้ด้วยการช่วยผู้อื่นช่วยอย่างไรนะท่านก็อธิบายว่าช่วยด้วยการที่มีความอดทนนะมีเจตเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูล ก็คือมีขันติธรรมแล้วก็มีเมตตาธรรมนี่คือวิธีช่วยผู้อื่นและถ้าเรามีสิ่งนี้นะมันก็มาช่วยกลับมาช่วยตัวเราเองอันนี้เป็นวิชาชีวิตนะที่พวกเราต้องต้องต้องมีความรู้ความเข้าใจนะอย่าเรียนแต่วิชาในตำราเท่า น, นั้นโรงเรียนที่โรงเรียนที่ ที่ดีเนี่ยนะที่มีคุณภาพเนี่ยเขาจะสอนให้นักเรียนเนี่ยได้เข้าใจวิชาชีวิตด้วยอย่างโรงเรียนที่มีชื่อนะซึ่งคนไทยนี่ไปไปดูงานกันมากนะก็คือโรงเรียนของมูนิธิเฉือจี้ในไต้หวันฉจี้ไม่ได้ทําแค่โรงเรียนนะทำมาเยเชียด้วยมาเลเชียร์แพทย์ก็มีชื่อมากนะมีชื่อในเรื่องของการรักษาด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ คนไทยไปดูงานจะเป็นมือแล้วนะตอนคณะเทตมาไปนี่ก็มีอธิการบรดีของมหาเทไลหลายหลายหลายมหาเทไลไปด้วยเมื่อปี50บงังทุกวันนี้ก็ยังมีคนไปอยู่เลยนะทั้งหมอทั้งนักวิชาการทั้ง n อ o อทั้งพระไปดูโรงเรียนบ้างไปดูมหาเทไลดังไปไปดูสถานีโทรทัศน์ของเขาซึ่งมีชื่อมากกระจายเสียง ทั่วโลกนะสถานีวิทยุโทรทัศน์สีขาวนะชื่อว่ามหากรุณาแล้วก็เ้ายังมีสถานีแยกขยะหรือรีไซเคิลขยะอีกเป็นถึง 5,000 แห่งเฉพาะโรงเรียนเนี่ยที่เขาน่าสนใจก็ตรงที่ว่าเด็กของเขาเนี่ยนอกจากเป็นเด็กที่เก่งแล้วเนี่ยยังเป็นเด็กที่มีคุณธรรม มีความเสียสละนะวิชาหนึ่งที่สำคัญมากคือพาเด็กไปไปไปเป็นจิตอาสาช่วยเด็กช่วยคนยากจนช่วยดูแลคนแก่นะยังไม่ต้องพูดถึงการที่โรงเรียนนี้ไม่มีพานโรงนะโรงเรียนนี้ไม่มีพานโรงนักเรียนทุกคนนั่นแหละมีหน้าที่รักษาความสะอาดในโรงเรียนนะ ตั้งแต่ขัดถูเช็ดห้องเรียนห้องประชุมไปจนถึงห้องน้ําและคนที่ได้รับเกียรติทําความสะอาดห้องน้ําคือใครรู้ไหมนักเรียนที่ได้คะแนนดีที่สุดนักเรียนที่ได้คะแนนสูงที่สุดจะได้รับเกียรตินี้คือทําความสะอาดห้องน้ําเมืองไทยนี่คนที่ถูกลงโทษเท่านั้นแหละถึงจะไปทําความสะอาดห้องน้ำํำนักเรียนดีก็ไม่ทำความสะอาดห้องน้ําแต่ชูจีเนี่ย ใครที่ได้ทำความสะอาดห้องน้ำถือว่าเป็นเกียรติเพราะว่าเฉพาะนักเรียนดีเท่านั้นที่จะทำอย่างนั้นได้เขาสร้างคั้นยมหละรสร้างคั้นยมให้รู้จักเสียสละไม่รังเกียจการใช้แรงงานยิ่งเป็นของยิ่งเป็นงานบริการที่ที่ดูเหมือนว่าต่ำเท่าไหร่เนี่ยยิ่งต้องมอบหมายให้คนเก่งเนี่ยไปทำนะในงานึงก็คือเพื่อลดลาดตัวตนนะ เพราะว่าคนจีนก็เหมือนคนไทยนะการทาความสะอาดห้องน้ํานี่ถือเป็นของต่ําแต่ชื่อที่บอกว่าอันนี้เป็นของสูงเฉพาะนักเรียนที่เรียนดีเท่านั้นแหละถึงจะไปทําเพราะว่ามันคือการลดละตัวตนนะอันนี้ก็คิดเหมือนคันทีเลยคารทีก็บอกว่าเนี่ยคนที่จะที่เป็นนักปฏิบัติธรรมนี่ต้องไม่ต้องอทํากิจวัตรประจําวันอันนี้คือการทําความสะอาดห้องน้ํา นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยนะเป็นการบ่มเพาะนิสัยให้เสียสละเพื่อส่วนรวมนะตั้งแต่ส่วนรวมระดับระดับใกล้ตัวคือโรงเรียนนะจนกระทั่งไปถึงสังคมวงกว้างนะทั้งคนยากคนจนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะอันนี้เนี่ยเพื่อประโยชน์ของตัวเองด้วยนะยิ่งทำยิ่งเสียสละมากเท่าไหร่ ตัวตนก็จะเล็กลงเมื่อตัวตนเล็กลงก็จะมีความสุขได้ง่ายขึ้นคนที่มีอีโก้มีอัตตามากตัวตนใหญ่เนี่ยจะจะเป็นคนที่มีความทุกข์ได้ง่ายมีความสุขได้ยากนะพูดไม่ถูกคูหน่อยก็โกรธแล้วนะหรือว่ า, ามีสิวผิวแห้งผมแตกไปลานี้ก็เป็นทุกข์แล้วนะทั้งที่มันจิบจอยมากเพราะว่าคิดถึงแต่ตัวเอง แต่ถ้าว่าเราคิดถึงคนอื่นมากเท่าไหร่เนี่ยในความความทุกข์ที่เกิดกับตัวเองเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยลงไปเรื่อยๆงั้นถ้าพวกเราฉลาดนะต้องต้องรู้จักคิดถึงคนอื่นให้มากขึ้นมันมีมันมีนิทานนะสั้นๆของจีนนะ เล่าจบนี่อาจจะไม่รู้เลยว่าเขาต้องการสอนอะไรมีชายตาบอดคนหนึ่งไปเยี่ยมเพื่อนก็คุยกันจนดึกเลยนะคุยกันจนค่ำเลยคุยเสร็จเพื่อนก็เพื่อนตาบอดก็บอกว่าขอตัวนะจะกลับบ้านเพื่อนที่เปเจ้าของบ้านก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งกลับให้ถือโคมนี่ด้วยคนตาบอดบอกว่าฉันจะเอาโคมไปทำไมเพราะว่าฉันตาบอด โค ม, มันไม่ได้ช่วยฉันเลยเพื่อนก็เพื่อนเจ้าของบ้างก็บอกว่ามันไม่เป็นประโยชน์กับคุณก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นประโยชน์คนอื่นเวลาค้ำค้ำมืดๆอย่างนี้เนี่ยนะถ้าคุณถือโคมก็ทําให้คนอื่นก็ได้เห็นทางด้วยนะแล้วถ้าเขาเห็นทางเลยเนี่ยเขาก็ไม่ชนเขาก็ไม่มไม่เดินชนคุณนะนะพอฟังนี้ก็เลยถือโคม พอเดินไปได้อยู่สักพักใหญ่ๆเลยนะสิบนาทีสิบห้านาทีแล้วมั้งก็ปรกากฏมีคนเดินชนแกจนล้มเลยโคมก็ตกคนตาบอด ก, ก็เลยด่าเลยอแกตาบอดหรือไงแกไม่เห็นหรือว่าฉันถือโคมอยู่นะคนที่เดินชนก็ขอโทษขอโพยนะแล้วก็บอกว่าโคมของคุณเนี่ยมันดับไปนานแล้วนะครับนะ จบเขาสอนว่าอะไรรู้ไหมเขาสอนว่าอะไรนะเขาสอนว่าเรื่องนี้เขาสอนว่าคนเราเนะอย่าคิดถึงแต่ตัวเองต้องคิดถึงคนอื่นไอ้โคลนเนี่ยไม่มีประโยชน์ต่อต่อคนตบบาบอดก็จริงแต่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นนะและในสุดมันก็กลับมาเป็นประโยชน์ตัตวเองด้วยคือว่าคนอื่นก็ไม่มาชนเราแต่นั่นเป็นแค่ครึ่งหนึ่งของบทเรียนที่ได้นะ เขาบอกว่าเมื่อมีเหตุอะไรก็ตามเนี่ยอย่าพึ่งโทษคนอื่นให้กลับมาดูตัวเองคนตาบอดเนี่ยไปไปโกรธคนที่มาเดินชนแล้วก็ก็ไปโทษว่าเนี่ยเขาไม่ดูตามมาตรหรือตาบอดอยังไงถึงมาเดินชนฉันแต่ที่จริงมาเดินชนเพราะอะไรเพราะว่าโครงของเขามันดับแล้วเขาไม่ได้มาดูตัวเองเขาไปโทษคนอื่น คนเรานะต้องคิดถึงผู้อื่นคิดถึงประโยชน์ของผู้อื่นอย่าคิดถึงแต่ประโยชน์ของตัวเองแต่เวลามีเหตุเวลามีปัญหาอย่าเพ่งโทษที่คนอื่นให้กลับมาดูตัวเองนะอันนี้มันตรงข้ามกับคนทั่วๆไปแนละ้วคนทั่วไปเนี่ยคิดถึงแต่ตัวเองมากกว่าคิดถึงคนอื่นแต่เวลามีเหตุนะเวลามีปัญหานะก็จะโทษคนอื่น มากกว่ากลับมามองตัวเองมันคนละทางกันเลยนะคนฉลาดคนดีนี่เขาจะมองจะนึกถึงจะมองไปที่ประโยชน์สุขที่ผู้อื่นจะได้รับเป็นอันดับเป็นเบื้องแรกแต่พอมีปัญหากลับมามองที่ตัวเองนะเวลามีความล้มเหลวมีปัญหาขึ้นมาแทนะนที่จะโทษคนอื่นเพ่งโทษไปที่ภายนอกกลับมาดูตัวเอง แต่คนที่ไม่มีปัญญาคนที่คนที่ไม่ได้รับการศึกษานะทางธรรมเนี่ยจะนึกถึงประโยชน์ของตัวเองเป็นอย่างแรกประโยชน์ของคนอื่นไม่สนใจแต่พอมีเหตุมีปัญหาขึ้นมาเพ่งทั่วไปที่ข้างนอกทันทีนะมันสวนทางกันนะอันนี้พวกเราซึ่งเป็นนักเรียนเนี่ยนะก็อย่าลืมนะวิชาชีวิตอันนี้นะมันสาคัญมาก นะมันสามารถจะจ ะ, จะช่วยเราไดนะ้ไม่ทำให้เราเนี่ยนะเป็นคนที่เป็นที่รักเป็นที่นับถือของผู้คนเพราะว่าเราเป็นคนมีน้าใจและเวลาเราเดือดร้อนนะก็จะมีคนช่วยเราและที่จริงถึงแม้ไม่มีใครช่วยเราเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากเพราะว่า เราจะรู้สึกอยู่เสมอว่าความทุกข์ของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อเทียบกับความทุกข์ของคนอื่นเราจะรู้สึกอยู่เสมอว่าคนอื่นเนี่ยลาบากกว่าเราเยอ ะ, ะและเราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามันเล็กน้อยนะเราก็ยังสามารถที่จะ อ, ะอยู่ได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไระจะไม่เป็นคนอ่อนแอแต่เป็นคนเข้มแข็งและมั่นคง อ่าล้วคำนี้ก็พึ่งกับท่านนี้ขอบคระค่ะ